15. มิจฉัตานิยตติกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจร้อยแปดสิบสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุหอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อร้อยแปดสิเอ็ดเหตุปัจจัยมีสามวาระอรรถมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึง วิปากปัจจ hmm. ัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึง สัมยุญตัวาระให้พิสดารเหมือนปับปฏิจจวาระเหตุป Поэтому, ัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อยปสิบสองสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบ <Jub ilee> และให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยกรารทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุโ ด, ดยระมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุโดยระมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัย สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยทีิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุโดยทธ่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาคารทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุด้วยที่ปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยแปดสบสาสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาคารทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุด้วยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที medi, ่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุดวยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุดวยนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุดวยนันทระปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยครัภทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุด้วยนันระปัจจยัยย่อรอแปสสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุด้วยอุปนิสยปัจจยัย สภ <ส handle. S 3> าวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่ nonsense, ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุโดยอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน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 สภาวธรรมทีท่ให้ผลไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยอุ ป, ปนินสยปัจจัยย่อร้อแปดสิบห้าเหตุตปัจจัยมีสามวาระรัมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาร ะ, รน ะ, จจาระอจจระนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมานันตระปัจจัยมีห้าวาระ สหชาติปัจจัยมีสวาระละถึงอุปาณิสยปัจจัยมี7วาระมารสวะน่ปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีสองวาระมคคะปัจจัยมีสองวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสวาระย่อนเหตุปัจจัยมี7วาระณอารมณปัจจัยมี7วาระ ย่อและอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีสี่วาระย่อเพื่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุสละติกะนเหตุบทหนึ่งถึงเจปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจร้อยแปดสิบหกสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุ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 ร้อปสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป um ็นเหตุหาศัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยย่อนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนั่นอรมณปัจจัยมีห้าวาระนั่ธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงนัปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนัปัจฉาชาติปัจจัยมี9้าวาระ นาใจวะณปัจจัยมีห้าวาระนากรรมะปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาจานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ ณอารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตวาระและถึงสัมยุญตวาระให้พิสดาเหมือนกับปฏิจจวาระอารมณะปัจจัยอธิปฏิปัจจัยและอนันตระปัจใจร้อยแปดส้า สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอน ون, โดยาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุโ ด, <บ>ดยระมณัปป์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณัปป์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจใจร้อยเก้าสิบสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยวยทุติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยวยทุติปัจจัย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 และให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหต huh> ุโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรัปัจจัยย่อร้อเก้าอ็รามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีแปดวาระอนันตรัปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปปจัยมีห้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจ <Spanish> ัย <sh> ม <atz Sas an> uh ีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาใจวะณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระ อินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมบยุตตปัจจัยมีสามวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระณอารมณะปัจจัยมีสิบสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบสามวาระย่อ นัเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออารามณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยันให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุสลเตึกะ16 มัคคารมณติกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจจะเจตุขไนเหตุปัจจั้อยเก้าสิบสองสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมักเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมักเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์และที่มีมักเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมักเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อร้อเเหตุปัจจัยมีสิเจวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อณอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระณัุเรชาตะปัจจัยมีสิบเจวาระละถึงณอสเสวนาปัจจัยมี9วาระ นวิปากะปัจจัยมีสิบเจวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสิบเจดวาระยอ่อพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึงสามยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อเก้าสิสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซ <t> ึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์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 ซึ่งเป็นเหตุโดยรามณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มากเป็นอารมณ์และที่มีมากเป็นนิทิปดีซึ่งเป็นเหตุดรามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นนิทิปดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นนิทิปดีซึ่งเป็นเหตุดรามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นนิทิปดี ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซ nope ึ่งเป็นเหตุโดยระมะนปัจจัยมีสามวาระร9อ้าสหสภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยทุปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุด้วยทุตติปัจจัยมีห้าวาระ สภาวธรรมที่มีมากเป็นน <hi> ิธิปดีมม please, ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุโดยทุิปติปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์และที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยทุิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่ไม่มากเป็นอธิปดี ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก os, ่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุด้วยทิฏฐิปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยนันตระปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งเป็นเหตุด้วยนันตระปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์และที่มีมากเป็นนาทิปปีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโด ย, นปปดย อ, ปปด อ, น, ดดอนันตระปัจจัยมีสามวาระย่อร้อเก้าหเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมียีสิบเอดวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระ สหชาตะปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสิเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมี21ดวาระอาเจวณปัจจัยมี9้าวาระอินทรียะปัจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยมีสิเจดวาระสมยุตตาปัจจัยมี17วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี17วาระย่อนเหตุปัจจัยมี21ดวาระ นาอารมณะปัจจัยมีสิบเจ็วาระยอ่อนาอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระยอ่ออารมณะปัจจใจคำนาเหตุปัจใจมีเก้าวาร ะ, ย, ระย่อพึงขยาหให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในขุสละเกะนาเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเฮตุปัจใจร้ยเก้าสิบเจ็ด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 สภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นอิทิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นนารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ และที่มีมรรคเป็นอธิปปีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปปีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิปปีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปปีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปปีซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรเป็นอารมณ์และที่มีมรรเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นนิทิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นนิทิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุ เ, เ, เ, จจเ ก, เเเกเเเเิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อร้อเก้าสบปดเหตุตุปัจจัยมีสิบเจดวาระอารมณะปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบเจดวาระย่อปัจญิยะนเหตุตุปัจใจร้อยเก้าสิบสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอายใจสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยย่อ ณเหตุป das ัจัยมีหนึ่งวาระณทิปติปัจัยมีสิบเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจัยมีสิบเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจัยมีสิบเจดวาระณอเสวณปัจัยมีเ้าวาระณกรรมปัจัยมีสิบเจ็ดวาระณวิปากปัจัยมีสิบเจ็ดวาระณมครปัจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจัยมีสิบเจดวาระย่อ ณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจวาระยอ่ออารมณปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระและถึงสัมยุตติวาระให้พิสดารเหมือนขับปฏิจจวาระนะเหตุบทเจปัญหาวาระปัญญา จ, จตุกนัยอารมณปัจจัยเป็นต้นสองร้อย สภาวธรรมที <hate UC> ่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นนิทิปตีซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นนิทิปตีซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัย สภาวธรรมที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยขก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้สภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์และที่มีมากเป็นนิธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยระมณะปัจจัย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 ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมากเป็นเหตุและที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที<ๆ Pharaoh> <oughs> ่มีมากเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยทธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์และที่มีมากเป็นอธิปดี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 สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุด้ยอุปนิเสสะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิพดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิพดีซึ่งไม่เป็นเหตุด้ยอุปนิเสสะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิพดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ ึม่เป็นเหตุดยอุปนิสัยปัจจัยมีสมวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระย่อสองรอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมียีเอวาระอานันตร์ปัจจัยมีเก้าวาระสามันันตร์ปัจจัยมีเ้าวาระ ชาหะชาต์ปัจจัยมี17ดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสิเจดวาระนิสยาปัจจัยมีสิเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมี21่สิบอดวาระเจวะณะปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีสิเจดวาระอหารปัจจัยมี17ดวาระอินตรียปัจจัยมีสิเจดวาระชานะปัจจัยมีสิเจดวาระมัคคะปัจจัยมีสิเจดวาระ ัมปยุตตะปัจัยมี17วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิเจวาระย่อนเหตุปัจจัยมี21ดวาระณอารมณะปัจจัยมี17วาระยอ่อนเหตุปจัจจัยกับอารมณประปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีเก้าวาระยอ่ะะยอพึงขยาดให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ เจ็ดอุป น, นิทักาหนึ่งเหตุทุกกะเจปัญหาวาระปัจะจะยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสองอยห้าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่จำยุตตเหตุโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุโดยรมณปัจจัยได้แก่เหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่เจโตปริยญาณและอนาคตังจยานโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุโดยรมณปัจจัยได้แก่เหตุที่จะเกิดขึ้นแน่นอน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 เป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัติปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยสองรหเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสหชาตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุปปาณิจยปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อแเหตุปัจจัยมีสองวาระแอารมณะปัจจัยมีสองวาระย่อแอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนป HU ัญหาวาระในกุสลตะกะน่าเหตุบทอารมณปัจจัยเป็นต้นสองอยเจ็ดสภาวธรรมที่เ pues กิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดข네ึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอน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 สภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยสะชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยโอปานิสยาปัจจัย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 อัญญาัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสามวาระณอารมณะปัจจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ สิบแปดอตีตติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจดปัญหาวาระปัญญาเจตุกนัยสอง้อยสิบสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอดีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุโดยระมะนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นเหตุเป็นปันจจัยแห่สภาะวะธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุด้วยอรมณะปัจจัยย่อสองสบเอเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงชหาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยะปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปานิสยะปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมิยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอาติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยมีสองวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ อารมณ์ป yeah. uhm, ัจจ sure. ัยขปนเหตุป okay. uh, yes. ัจจัยม <IP taste>. uh ีสองวาระย่อนเหตุบทอารมณปัจจัยสองสิสองสภาวธรรมที่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุดารมณะปัจจัยย่อสองรอยสิบสามอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระละถึง อาสัตวนัปปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมะปัจจัยมีสองวาระอิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคระปัจจัยมีหนึ่งวาระสำยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อ นอัอารรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อธรรมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสิบเก้าอติตารรมณะเถี่ยกะหนึ่งเหตุทุกระหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนยัยเหตุปัจใจสอง้อยสิบสี่สภาวะธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุ อาศั 3, üyorum. ายสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหต Brussels. ุいいหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีนามธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีนามธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ สองเหตุป hey, Ar ัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวณะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระย่อ ซึ่งขยายจหชาตวาระและถึงสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองสิบหสภาวธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีแนวคต ธ, ธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่มีดิจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีดิจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโด้วยระมณะปัจจัย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 ซึ่งเป็นเหตุดารมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุดารามณปัจจัยมีสามวาระย่อสองเเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระ สมณันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีสามวาระนินย coin, ge, สยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเจวะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึง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 ปัจจะยะจะตุกนัยเหตุปัจใจสอง้อยสิบปดสภาวธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตาธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตาธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย, อจจย่อจจยสองเกหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอร่อนะเหตุปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปฏิปัจัยม <man> ีสามวาระนบุเรชาตะปัจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจัยมีสามวาระนอาศัยวณัปัจัยมีสามวาระนกรรมปัจัยมีสามวาระนวิปากปัจัยมีสามวาระนชานะปัจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจัยมีสามวาระนอิปยุตตะปัจัยมีสองวาระยาะพึงขยายสหชาตะวาระ ละถึงสามยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระธรรมะปัจจัยสองยี่สิสภาวธรรมที่มีอดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดิจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยธรรมะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีอนคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ ไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยมีสามวาระย่อสองอยยีระมณ์ปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอันันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีสามวาระ อัญญามัญญะปัจัยมีสามวาระนิจยะปัจจัยมีสามวาระอุปนิจยะปัจจัยมีเก้าวาระอสิวะนัปปัจจัยมีสามวาระกรรมะปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีก้าวาระ ยอ่อนเหตุปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีก้าววาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีก้าวาระยอ่อเพื่อขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ